อครับดูเหมือนว่าตอนนี้เราติดต่อกับสายของคุณคิงได้เรียบร้อยหลายคนรอสายนี้อยู่ครับคุณคิงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่มาเล่าประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญกับ The g โกส t Radio ของเราบ่อยครั้งเรื่องที่เจอมาเองบ้างแล้วก็เรื่องที่ไปได้ยินได้ฟังมาหรือมีคนอื่นฝากมาถ่ายทอด ผ่านรายการเดอะโกสเลดี้โอของเราตรงนี้นะครับอย่างเช่นเรื่องในวันนี้ครับเรื่องที่คุณคิงบอกว่าเป็นเรื่องหลอนจากหลวงพระบางครับน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สปปลาวเป็นเรื่องที่น้องดานะครับน่าจะเป็นรุ่นน้องของคุณคิงเนี่ยแหละครับ ฝากคุณคิงมาถ่ายทอดผ่าน The Ghost Radio ของเราและตอนนี้ดูเหมือนว่าคุณคิงอยู่ในสายกับเราเรียบร้อยมาติดตามฟังเรื่องของคุณคิงกันเป็นเรื่องต่อไปครับสวัสดีครับคุณคิงครับสวัสดีครับพี่แดนนะครับแหม่ต้องบอกว่ามีคนรอคุณคิงเยอะมากนะ <c oughs> เห็นคุณคิง <c oughs> ไม่ได้มาเล่าในรายการนี้ก็จะมีเหมือนกับเล่าสดผ่าน Facebook ของตัวเองด้วย <c oughs> ผมเห็น <c oughs> มีเพจผีอย่างเช่น Two Plus Radio นี่ก็เอาเรื่องของคิคงมาลงบ่อยมาก โอ้นะฮะถือว่าเป็นคนอีกคนหนึ่งนะฮะที่ถ่ายทอดประสบการณ์สยองขวัญได้ได้อย่างมีชั้นเชิงแล้วก็เรียบเรียงเรื่องได้ดีมากนะฮะอขอบคุณครับพี่ดีมากนะครับมาว่างถือเรื่องนี้ครับที่บอกว่าเป็นเรื่องที่น้องดาน้องดานี่เป็นใครผมถามก่อนอ่า <c oughs> เป็นเพื่อนในเฟซบ o ๊คกครับเพิ่งใสแอดเข้ามาได้ไม่นานแต่ว่าเขาสนใจแอดเข้ามาเพราะว่าเขามีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องผีเนี่ยเยอะอแล้วมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องทาง ประเทศลาวซึ่งเราก็ยังจะทราบกันอยู่ว่าท่างนั้น่ะก็จะมีขนมทันเนียมขบปลาประเพณีวัฒนธรรมที่มัน บ, บัจจารา์โบราณโบราณหน่อยใช่ซึ่ ง, งจะมีมูลค่างแล้วมีกินไปเกี่ยวกับพวกเนี้ยเยอะอ๋อนะคะแล้ เ, เรื่องคน<ล>นี้ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับนรองดาที่ว่าเขาจงใจที่จะฝากมาให้พี่แจ็คเพราะว่าเขาเคยบอกว่าเคยขอเจอพี่แจ็คถ้าพี่แจ็คไปที่ประเทศลาวแต่พอดีไปโพลาที่กันเพราะว่าน้องเขาจะอยู่ทางเหนือของของขอ ง, ของลาวส่วนพี่แจ็คเขจะไปทางใต้เพราะว่าอย่างนั้นนั่นแหะผมมาไป ไปสวัสวร์ณกเขตบ่อยอ๋อแต่น้องเขาอยู่ทางเหนือก็น่าจะอยู่ทางฝั่งหลวงพะบางฝั่งเวียงจันทร์อะไรพวกนู้นเลยคนละที่กันอ๋อเขาเคยคเขาเคยจะเจอผมด้วยแต่ไม่ไม่มีโอกาสได้เจอกันเพราะว่าการเดินทางที่ลาวเนี่ยโอ้มันค่อนข้างที่จะยาวนานแล้วก็ลำบากนิดนึงครับเออนะครับไม่เป็นไรก็รน้องดาก็เลยฝากเรื่องนี้ผ่านคุณคิงมาคุยกับผมครับ โอ้ขอตินมากๆนะฮะมาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับเรื่องที่บอกว่าเป็นเรื่องหลอนจากหลวงพะบางเกิดอะไรขึ้นครับเรื่องนี้ไปได้ยินได้ฟังไปยังไงคุณคิงเชิญครับเรื่องนี้นี่จะต้องขอเกรินก่อนเลยว่าถ้าเกิดว่าพี่แจ๊ไปทางประเทศลาวบ่อยๆอาจจะรู้จักสถานที่นี้ก็ได้เพราะว่าหรือว่าอาจจะเคยได้ยินคเพราะว่าน้องเขาบอกว่าเรื่องนี้ยมันเกิดขึ้นในบาบาหนึ่งที่อยู่ในเขตหลวงพะบางตอนนี้ปิดตัวไปแล้วนะครับอืมแต่ว่าบารเนี้ย เป็นบาร์ที่มีชื่อเสียงมากคนทั้งประเทศลาวเนี่ยจะรู้จักหมดอืมอืมอ่าขึ้นต้นตัวเอสลงท้ายาาาด้วยคำว่าป่าเอางี้ดีกว่าเนาะผมก็จะไม่พูดเยอะแต่ว่าเขาเขาเขาปิดไปแล้วจริงๆเขานาะเขาบอกเขาบอกอบอกได้แต่ว่าถ้าเกิดจะบอกเลี้ยงๆได้ก็จะดีกว่าดีกว่าดีกว่าคุณคิงความจริงคือผมอ่ะไปสวรรณเขตเนี่ยนะผมแทบจะไม่มีโอกาสได้ออกนอกเขตสวรรณเขตเลยผมไม่อยากไปมากหลวงพะบางอยากไปที่สุดอยากไปเวียงจันทร์อยากไปหลวงพะบางอะไรอย่างเงี้ยไม่มีโอกาสได้ไปซักที โอ้ข้าวโพงแล้วก็ทันทีเขาบอกว่าลักษณะของสถานที่ที่เกิดเหตุเนี่ยมันเป็นบาร์ก็จริงแต่ถ้าเกิดว่าใครนึกตามได้นะครับเพราะว่าตอนนี้คนทางฝั่งเราก็ฟังที่แจ็คเยอะเขาว่าอย่างนี้ยนะครับแล้วก็ถ้าใครนึกตามได้นะครับคือร้านเนี้ยจะเป็นร้านที่ทําจากบ้านเก่าใช้บ้านเก่าแต่ว่าลักษณะบ้านในจะจัดเป็นบ้านหลังใหญ่เลยด้านล่างจะเป็นปูนด้านบนจะเป็นไม้น้องเขาบอกอย่างนี้เลยนะฮะ แล้วก็ในวันหน่งวันหนึ่งเนี่ยเขาจะมีลูกค้าอยู่เรื่อยๆพอประมาณอตัวน้องเขาเองเนี่ยเป็นผูจ ก, การด้วยเป็นแค็เชียเป็นอะไรทุกอย่างคือหลายๆตำแหน่งมากแล้วเขาทางานคือลักษณะข้างล่างเนี่ยก็จ ะ, จะเปิดเป็นมีคนนั่งดื่มนั่งอะไรทั่วไปส่วนข้างบนเนี่ยน้องเขาจะขึ้นไปแค่คนเดียวอเขาจะต้องขึ้นไปนั่งคิดเงินไปทําทุกอย่างอยู่คนเดียวเงียบๆจเสร็จแล้วเขาถึงจะลงมาครับเป็นอย่างนี้ทุกวันตั้งแต่วันแรกที่เขาเข้าไปทํางานออื แต่ความเชื่อเขาอยู่คนเดียวแล้วน้องเขาบอกเขาเป็นคนที่มีเซนส์ทางด้านนี้เขาว่าทางบ้านเขาก็จะมีเกี่ยวกับการการเลี้ยงผีการเชื่อเรื่องผีกันตัวตัวตัวตัวบ้านของน้องเขาเองนะเขาก็เลยจะมีสัมผัสเรพวกนี้บ่อยจนชินจนเขาไม่กลัวเขาขึ้นไปนั่งคิดเงินคนเดียวเนี่ยเขาบอกเงียบมากและมืดมากมีแสงไฟแค่โต๊ะที่เขาทํางานแค่นั่นแหละแล้วเขาก็ไม่เคยสนใจอะไรจนเริ่มรู้สึกว่าตัวเองอยู่เนี่ยไม่ได้อยู่คนเดียวเหมือนมีเสียงตัวหัวล็อกที่คัดอยู่ข้างบนบ้านนั้นด้วยอืม มันหลายคนเลยนะทีนี้น้องเขาก็บอกว่าจุดที่เจอครั้งแรกเลยในร้านเนี้ยอืมเขาขึ้นไปคิดเงินและมีเสียงหัวาะเหมือนเดิมเขาก็เลยพูดทํานองเหมือนกับว่าอืมจะอะไรกันละกันหละวันนี้นะฮะแต่ว่า น, น, น้องเขาเล่าเป็นภาษาไทยให้ฟังแต่ว่าเขาก็พูดภาษาลาาบ้านเขาแหละแต่น้องพูดไทยชัดมากนะแล้วเขาก็พูดให้ผมฟังเนี้ยเขาบอกจะอะไรกันกนันหะอืมแล้วเขาก็ทํางานจนเสร็จ พอหลังจากพูดไปเสียงเงียบและลงมานั่งที่เคาน์เตอร์ลักษณะเคาน์เตอร์ของเขาเนี่ยคือว่าจะเขาลงมาจากกระไดปุ๊บก็เข้าไปในเคาน์เตอร์เลยเคาน์เตอร์เลยจะหันหน้าออกด้านนอกกระไดและหันหลังให้กระใดถูกไหมครับแล้วก็จะมีคอมพิวเตอร์อยู่ข้างหน้าเขาตัวหนึ่งที่เขาใช้ทํางานใช้งานอยู่ในบาร์อย่างเงี้ยในระหว่างที่บาร์เนี่ยเขาจะต้องมีความมืดแล้วก็มีแสงไฟสลัวตัลหลแสงไฟนู่นนี่นั่นวกแวบไปแวบมาเขาก็นั่งคิดเงินแล้วก็ดูคอมพิวเตอร์พอปิดคอมพเตอร์ปุ๊บ เขามีความรู้สึกเหมือนว่ามีคนยืนมองอยู่ข้างหลังอันนี้ควารู้สึกก่อนแล้วเขาจึงค่อยๆหันไปเหลือมองที่จอคอมในความเมื่อที่มีแสงไฟมันส่องไปพาดไปตรงกระดาษมากอะพี่แจ็เขาบอกค่อยๆเห็นเหมือนคนหย่อนหัวลงมาเรื่อยๆกระดาษยย่อนหัวลงมาจากบันไดเหรอใช่ครับจากด้านบนของบันไดอหย่อนลงมาหย่อนลงมาเสร็จแบบพวกหลายหัวมากเลยนะหย่อนลงมาแล้วก็แบบนิ่ง พอหนีงปุเขาก็มองเขารู้แล้วว่าอันนี้มันไม่ใช่แค่เงา ด, ดำๆธรรมดาล แ, ลแล้วเขรู้ว่ามันเป็นหัวคือมันคัดก็เป็นหัวเลยอืก็เป็นเสียงหัวเราะอคนร้องหัวล้อเสร็จร้องก็เลยบอกว่าอืมรู้แล้วนะแล้วเขาก็พยายามเดินออกมาข้างนอกเดินออกมานั่งข้างหน้าโดยที่ยังไม่พูด ก, กับใครออกมาข้างนอกร้านมาถามลุงคนหนึ่งที่ว่าเขาอยู่มานานลุงคนนี้นเขาอยู่มานานแต่แล้วก็อ่าเหมือนกับว่ารู้ถามจริงเหรที่บ้านที่ร้านเนี่ยมีอะไรหรือเปล่าออืลุงคนนั้น เดี๋ยวผมจะสรุปให้ให้นายแจ็คฟังว่ามันเกิดข้อหน้าสงสัยอะไรบ้างที่ผมวิเคราะห์กันนะครับครทเนี้ว่าลุงคนนั้นเนี่ยหลังจากที่ยินปุ๊บหันมามองหน้าเขาแล้วก็พูดเหมือนทํานองยิ้มยิ้มอ่ะคือไม่ได้ตกใจอะไรว่าเอา้าเจอแล้วเหรอถามอย่างเงี้ยเจอแล้วเหรอน้องเขาเลยบอกแสดงว่ามีอะไรใช่ไหมเขาก็คุยเรื่องนู น, นี้นั่นกันแล้วคุยไปอยู่พักหนึ่งลุงแกก็พูดคําว่าถ้าอยากรู้อะไรอ่ะดเดียวพรุ่งนี้หรือวันพักก็ได้ ใ, ให้เอาของใส่ช่วย เหมือนกับว่าถ้าเป็นบ้านเราก็เหมือนกับใส่ไหว้กับพระเวสีอพี่แจ๊<อ>แล้วเอาขึ้นไปไว้ข้างบนบแล้วเวลาขึ้นไปไว้เสร็จเนี่ยให้จุดธูปจุดเชียนเสร็จแล้วหันหลังเลยนะไม่ต้องมองอเพราะถ้ามองเดี๋ยตกใจเอาเป็นว่าเอาแค่หันหลังพอแล้วจะรู้ว่ามีอะไรบ้างออน้องเขาก็อยากรู้เอี่ยพอพี่แจ๊คเาอยากรู้เสร็จปุ๊บเนี่ยอีกวันหนึ่งเขาทำาจริงๆพี่แจแต่เขาไม่ได้ขึ้นไปคนเดียวเขามีน้องชายเขาทางานในร้านด้วย<อ>เขาก็เลยชวนน้องชายขึ้นไปเพราะว่าชวนคนอื่นแล้วอ่ะคนอื่นไม่ขึ้น คนอื่นคือเขาอยู่ที่นั่นมานานกว่าเงี่ยแล้วเขารู้ว่ามีอะไรเขาบอกว่าในขณะที่กลางวันหรือว่าช่วงที่เปิดร้านใหม่ไม่มีคนทําอะไรอยู่ข้างบนเนี่ยเสียงจะเหมือนมีคนเดินอยู่ตลอดเวลาอืก็เลยทําให้มีให้การาขึ้เหมือนน้องเขาเขาเลยดึงว่าน้องชายขึ้นมาแล้วน้องชายเขาก็เป็นประเภทเดียวกับเขาอะก็คือพี่น้องกันแ่ะก็จะมีความรู้สึกมีเซ้นต์มีอะไรเงี้ยอืเอาของขึ้นไปไว้อันนี้พี่แจ๊ต้องดูภาพการขับนี้นะผมฟังน้องผมเสียวมากเลยอเอาของเส้นขึ้นไปไหวเสร็จปุ๊บ ทู่จุดเทียนอแล้วก็บอกว่ามากินนะแล้วขอให้ร้านเนี้ยขายของดีถ้าสแสดงปาฏิหาริย์ให้ด้วยดียวจะให้กินได้อืนกว่านี้ครับเอาให้เห็นด้วยนะน้องเขาย้าเลยนะอเอาให้รู้สึกให้ได้เลยเพรเขากันหลังปับ๊บแล้วเขาเขาบอกว่ายัางไเงเนี่ยขาหลังในความรู้สึกเขาเนี่ยอย่างมากคงจะได้ยินเสียง<อ>หรือจะได้ยินหรือว่าจะเป็นแบบอะไรก็แล้วแต่อยู่ข้างหลังเท่านั้นอืมสิ่งที่น้องเขาบอกว่ามันยิ่งกว่าคําว่าสวยก็คือเขาหันไปแล้วเนี่ยไอ้ข้างหน้าเ้า คือหันหลังมาแล้วน ะ, ะแล้วก็มาเจอข้างหน้าที่ว่ามันเป็นกระจกโอ้โหหุ่นลุกเลยบานเบลอออ่าบานเลออบนเลเลยไปในตอนที่ผมฟังเสรแล้วผมผมนั่งเอาหลังติดติดติดกระแผงเลยผมเสียวเขาบอกมันหันหันทีเห็นกระจกเขบอกขี้ชิมเชื่อไหมว่าหนูมองไม่เห็นแสงเทียนเลยอ่ะมันเหมือนคนประมาณติดติดคนน่ะล้อมครุกเลยนะออืคือแสงเทียนมันต้องสว่างใช่มไปใที่ผมเล่าผมเล่าหลังเลยนะ แสงเทียนมันต้องสว่างแต่น้องเขาบอกไม่เห็นเลยไม่เห็นแสงเทียนเลยและพี่ชิงคิดว่าจะมีกี่คนถ้าสามารถทําให้แสงเทียนดับไปได้อย่างเงี้ยคือหมายถึงว่าร้อนจนไม่เห็นแสงเทียนนะออืมอมผมก็บอกน่าจะสี่ห้าคนแต่สี่ห้าไม่ได้นะถ้าขนาดที่มีแสงเทียนรอดน่าจะเป็นสิบเขาบอกใช่เป็นสิบแล้วเขาแข็งแข็งเสร็จแล้วน้องชายเขา่ในขณะที่เขาเกาะแขนน้องชายน้องชายเขาแข็งแล้วเขาสะบัดไปก่อนแล้วนะลงไปก่อนเลยออืส่วนตัวคุณดายแหละแข็งครับทําอะไรไม่ถูกแต่ก็พยายามควบคุมสติ แล้วก็แบบมีเสียงพูดคําว่าพวกกูอะไม่ทําอะไรมือหรอกอเดี๋ยวมึงไปดูพวกนี้สิในสิ่งที่มึงขอไว้อะเขาก็เลยค่อยๆพยายามรวบรวมสติแล้วก็ค่อยๆขยับขาเดิอนออกอผมผมในผมในความคิดผมมาคิดเอาว่าถ้าเกิดว่าน้องเขาวิ่งสติแตกคิดว่าอย่างนี้น้องก็เลยพยายามไม่ค่อยเดินอพอเดินเสร็จค่อยๆปิดประตูลงมานั่งสั่นเลยบั่นแล้วเล่าให้ทุกคนฟังอพอเล่าให้ทุกคนฟัง มันก็จบไปในคืนนั้นเข้ามา อ, อีกวันนึ่งน้องเขาบอกว่าอีกวันหนึ่งตามที่อ่าเหมือนเป็นเสียงผีตอนนั้นพูดไว้อ่ะว่าเดี๋ยวมึงดูอีกวันหนึ่งสิ เ, เดี๋ยวมึงดูมึงดีสิปรากฏว่าคืนนั้นเขาบอกขายได้เงินประมาณหกแสนบาทไทยหกหรือเจ็ดแปดมาเนี้ยพี่ประมาณเจ็ดแปดเจ็ดแสนแปดแสนบาทไทยเลยพี่เขาบอกขอทุกอย่างไม่เหลือแม้กระทั่งหมูไก่เบียร์ขวดเดียวเลยก็ไม่เหลือเลยไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เงินกีบราวน์นะ ครับไม่ใช่ครับเขาบอกดีเป็นเงินไทยเลยนะเขาพูดให้ผมฟังนะ่ะเป็นปรากฏการมากในวันนั้นนะ่ะมันเกลี้ยงทุกอย่างที่มีสต็อกอยู่คือเขาเขาบอกว่าเกลี้ยงหมดเกลี้ยงหมดเลยอ่ะเขาก็เลยไปเล่าเหตุการณ์เนี้ยให้กับคนที่คือทางเหมือนเขาจะให้จะให้เกลียดกันน่ะก็แข่งร้านเขาก็เรียกว่าแม่อะไรเงี้ยนะคร<ฮ>ับเล่าให้ฟังทันทีร้านเขาจะมีสามสเตจเป็นเวทีสําหรับที่จะเดินแบบ เขาใช้เขามาเดินแบบซึ่งผมก็ไม่รู้หรอกว่าการเที่ยวขอนู่นเป็นยังไง<ะ>เขาบอกผมเป็นเเวทีสามสเต็จเอาไว้สําหรับเดินแบบ<ะ>ให้สเต็ปบนสุดเสเ็จที่สามจะเป็นไม้กระดานแล้วมีเสาสอข้องางครับ<ะ>ตรงกลางนั่นแหละแม่เขาปูผ้าสามสี่ชั้นให้มนะะันหนาแล้วก็เอาของเส้นไหว้คร<ะ>ับส่วนตรงลานลานด้านที่จัดไว้ก็คือจะนิมนต์พระและเนรมาออืะจะนิมนต์พระและเนรมาแล้วก็จะให้มาไหว้กันวันแล้วก็เตรียมตองไว้ทั้งของเนรแล้วองพระ และในการเตรียมฟองเนี่ยก็จะมีการแบ่งแบ่งทุดกันไวอย่างดีไม่มีใครไปยุ่งปรากฏเรื่องแปลกก็คือฟองพระหายไปอืมฟองของพระอย่างเดียวที่หายไปทั้งหมดเจ้าสองหายปไปเลยขายแบบไม่มีร่องรอยอถึงขนาดว่าปิดร้านแล้วขอค้นของทุกอย่างที่มันเกี่ยวข้องในร้านนะ่ะขออนุญาตค้นเลยอืมก็ไม่เจออออืพอไม่เจอเสร็จปุ๊บเนี่ยอะไม่เจอไม่เป็นไรเขาก็แหมเขาขายได้เขาก็พยายามทําอะไรกันใหม่แต่ก็ยังมีกิจสัญญา ย, ยู่ว่าซองหายปไปไหนขายไปพร้อมเทียนหนึง่งแท่ง หายไปพร้อมเชื้อหนึ่งแท่งเสร็จปุ๊บเขาก็อ่าโอเคจากนู่นนี่นั่นแล้วมันก็มีบังเอิญมีคนหนึ่งที่ต้องเดินขึ้นไปชั้นบนเหมือนไปทําอะไรสักอย่างหนึ่งอันนี้เขาบอกว่าไอ้ชั้นบนเนี่ยมันจะมีตรงที่เป็นรอยอ่าเป็นไม้แล้วมันมีสิ่งเหมือนปูนเป็นกระเบื้องด้วยที่อถ้าถ้าถ้าอย่างที่อธิบายคือผมเข้าใจว่าเป็นปูนแปะข้างฝาแล้วหนึ่งหนึ่งกระเบื้องหนึกระเบื้องแผนกระเบื้องแล้วก็จะมีช่องเว้นว่างตรงกลางประมาณหนึ่งหนึ่งฝ่ามือผู้หญิงเขาว่าอย่างนั้นนะ เป็นปูนเป็นกระเบื้องปูนเป็นกระเบือเเบ้องอคนคนนั้นเขาทาอะไรอยู่ก็ไม่รู้ครับด้วยความที่ว่าเขากําลังมีวิธีอยู่ข้างล่างอ่ะพอเขาหันมาที่กาแพงพิเชษเขาเห็นไอ้ตรงระหว่างกระเบื้องอ่ะที่มันเป็นปูนน ะ, ะเป็นหน้าคนขุดขึ้นมาขุดขึ้นมาขุดขึ้นมาขุดขึ้นมาเป็นยี่สิบกว่าหน้าเขาก็ตกใจเพอตกใจแต่เขาวิ่งลงข้างล่างเลย วิ่งลงล่างแล้วเป็ น, นหน้าพวกนั้นขึ้นหน้าโผล่ขึ้นมาแล้วค่อยยิ้มยิ้มมีทั้งหน้าคนแก่เด็กผู้หญิงคนแก่เด็กผู้หญิงสลับกันเนี้ยเขาก็วิ่งลงล่างก็วิ่งลงล่างเสร็จก็มาเร่าทุกคนฟังทุกคนก็โอเคเรื่องไม่เป็นไรผ่านไปนะผ่านบนไปแต่ยังไม่มีใครรู้ว่าอะไรเป็นอะไรปุ๊บวันนั้นจบอีกวันหนึ่งมาอ่าน้องดานเนี่ยเขาก็เก็บ กว่าทำความสะอาดร้านเตรียมที่จะเปิดร้านแล้วเขาบอกมันจะมีอยู่ตัองหนึ่งคือมันจะเหมือนกับกาแพงเขาทำเป็นเป็นทรงให้สวยๆเลยบีบเข้าไปจนมันเป็นเหมือนเหมือนสามเหลี่ยมไอ้เหมือนเหลี่ยมเล็กๆของไปเหมือนของมุมมุมตะเบื้องมุมดาวอย่างเงี้ยซึ่งไม่มีใครในร้านเข้าไปได้จะมีเขาคนเดียวที่เข้าไปได้แล้วบางเอิญแมวมันเข้าไปอยู่ข้างในเหมือนกับว่ามันจงใจที่จะให้นางดาเดินตามเข้าไปออืเขาก็คนในร้านมันตัวใหญ่หมดไม่มีใครมุดได้มีเขาคนเดียวซึ่งตัวเล็กที่สุดเขาก็เลยพยายามที่จะมุดเข้าไปเพื่อไปเอาแมวออก มาผมฟังผเยว่มันแปกที่แมวมันเข้าไปได้แต่มันไม่ยอมออกมาเองเออต้องลองให้คนมาช่วยออืพอโนอดามุดเข้าไปพี่แจ๊บไปเจอจกับฟองเจ้าทองที่หายไปพร้อมเจียนหนึ่งแท่งเฮ้ยอยู่ในนั้นหรอฮะใช่มันเข้าไปได้ยังไงแล้ววันนี้มี ใ, น ใ, นใครเข้าไปได้ในร้านนอกจากโนดาคนเดียวออซึ่งตอนที่ฟองใสไปโนดามกำลงังง่วนอยู่การทํางานอยู่กับ<ถ>ทุกคนช่วยกันจัดของจัดอะไรที่ร้านอย่างเงี้ยครับเขาก็เอาออกมาแล้วสมมติถ้าเกิดเขาทุกคนเราซ่อนจริงหรือว่ามีใครซ่อนจริงเนี่ย เขต้องรีบมาเอาไวนะ้แต่ซองนี่ยังอยู่เหมือนเดิม mm hmm. แล้วเมอเขาได้อะอะไรเสร็จาก็มาบอกนีไ่ไงซองที่หายไปบอกกับทุกคนเนี่ยเก้าซองคอมเพียนหนึ่งแท่งมันมา mm hmm. อยู่ตรง น, นี้ได้ไงเนะี mm ่ยครับแล้ววัหลังใ น, นที่เขาฟาต้องออกมาไอแมวตอนนั้นมันก็ออกมาได้แล้วตั้งนานมันออกไม่ได้พี่ mm hmm. มันเหมือนมันเข้าไปเรียกให้เขาไปดูว่าอะไรมันอยู่ตรงนั้นนย่งครับ hmm. ซึ่งอันนี้เดี๋ยวมันจะมีบทสรุปตอนท้าย mm hmm. แล้วพอหลังจากนั้น น้องเขาบอกว่าเขาอยู่ที่ร้านเนี่ยเขาพยายามที่จะเอาของขึ้นไปไหว้ตลอดแล้วจะได้สัมผัสอย่างนี้ตลอดเสียงคนคุยเสียงคนทุกซิบตลอดแล้วลุงคนเนี้ยจะคอยมาถามทุกๆวันพระทุกๆวันพระเลยเเขาเขาใช้คาว่าขึ้นถิ่นพระามันนะทางนั้นนะผมเข้าใจว่าว น, น่าจะเป็นทุกวันพระแหละพอเขามาถามทุกวันว่าวันนี้ทำหรือยังวันนี้ทำหรือยังทําไมต้องมาใส่ใจกับเรื่องพวกเนี้ย <c oughs> เขาก็เลยบอกทําแล้วเขาบางทีเขาขี้เกียจลาคาบเลยลุงจะมาถามเขาก็บอกให้ทํา เขา็ไปซื้อของมาทําให้อืคําทุกครั้งที่จะถึงบนพระพอทําทําทําต่อไปได้วยหนึ่งใ น, ใ, นในผู้ที่พอใจทั้งหมดจะต้องมีสักหนึ่งคนดวงวิญญาณก็เหมือนกันจะต้องมีหนึ่งดวงที่ไม่พอใจอันนี้น้องดาบอกว่าเป็นดวงวิญญาณที่เขารู้สึกเลยว่ามาบอกในฝันด้วยว่ามึงอย่ายุ่งกับผู้ปูมากเกินไปอย่ามาทําโดวเป็นเจ้าเข้า้าของผู้ปูคือน้องดาเขาก็เสียงไปในฝันว่าก็าถ้าให้กินแล้วยังพูดไม่ดีก็ไม่ต้องกิ น, นกันแล้วกันเขาเสียงอย่างนี้เลยนะอืม ปรากฏว่าดวงวิญญาณเนี่ยเล่นเขาเพราขาบอกว่าเขารู้สึกว่าหลังจากที่ฝันครั้งนั้นเนี่ยเกือบโดนแทงตายก็มีออืเกือบโดนอุบัติเหตุรถชนก็มีขี่ไปเคลื่อตะหนักว่าอีกนิดเดียวชนแล้วชนต้องเละด้วยอย่างเงี้ยก็มีแล้วมันจะเกิดอยู่ในบริเวณบริเวณร้านของเราเองเขาจึงมีความรู้สึกว่าเนี่อยอดวงวิญญาณที่มาบอกเนี่ยกำลังจะเล่นขเขาคืนนั้นเขาก็พูดขึ้นมาคํานึงบอกถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนี้นะก็ไม่ต้องกินกันล้วกันออื ไม่ให้จินเหมือนกันกูก็ไม่ได้กลัว<ะ>เหมือนอย่างเงี้ยแล้วปรากฏว่ายวันหนึ่งเขาบอกว่าแขกสักคนหนึ่งก็ไม่มีพี่แนจะ็คไม่มีถึงขนาดที่ว่าจนค่อยๆต้องคัดพนักงานออกจน<ะ>เหลือแค่สามคนเลยไม่มีเลยสักคนหนึ่งนะตัะ้งแต่ที่เขาพูดคานั้นออืวันนั้นเขาก็นั่งอยู่ที่เคาน์เตอร์เลยกันสามคนแหละนั่งเคาน์เตอร์เขานั่งนั่งๆ่งเล่นอยู่สองคนก็เดินลงไปนอกร้านคือไม่มีลูกค้าเลยสักคนเดียวพอเดินลงไปข้างนอกร้านเสร็จปุ๊บเขาอยู่คนเดียวแล้วเขาก็เลยพูดขึ้นมาเหมือนกับว่า เออจะแกล้งกันไปถึงไหนวะอยู่ดีดีมันมีอะไรดำดำหล่นมาึุบข้างหน้าแเราค่อยๆก่อตัวขึ้นก่อตัวขึ้นก่อตัวขึ้นจนสูงติ่เพดานข้างบนเขาบอกประมาณสองเมตรนิดนิดออเพราะว่ามันก็ใช้ความเป็นบ้านเก่าไงทําทําเป็นเป็นบายไงสูงประมาณสองเมตรนิดนิดคือหัวชนเลยนะแล้วก็ยืนตั้งนานเลยแล้วเขาก็พูดคําว่าวันนี้กูจะเอามึงมาอยู่ด้วยคือพูดกันแบบจ่าจ่ายอย่างเงี้ยอเหลียวมึงอยากกูหกูจะเอามึงมาอยู่ด้วยวันนี้น้องเขาก็เหมือนทําประมาณว่า ด่าว่าทําให้แบบว่าให้ใจตัอยังงแข็งว่ะแล้วมันก็หายไปพอมันหายไปเสร็จปุ๊บน้องเขาก็ไม่ไหวและอยู่ไปอยู่มาก็ถึงขนาดต้องปิดร้านลงก็กลับไปอยู่บ้านอืมมันไม่ได้จบแค่นั้นพี่แจ็คมันตามเขาไปถึงที่บ้านตามไปนูตามไปบ้านเลยฮะใช่ครับคือทําให้น้องเขาบอกว่าเหตุการณ์ครั้งเนี้หลังจากที่เขาเออกจากร้านนั้นแล้วดวงวิญญาณตามไปบ้านเนี่ยเขาเป็นคนที่เหมือนเสียสติอยู่ถึงสี่เดือนเต็มเต็ม <c oughs> ในขณะที่เขาเล่าให้ฟังเขาก็นั่งอยู่ข้างแม่เขานั่นแล้วเขาก็บอกในแม่หนูก็ก็รู้เรื่องหมดคือหนูเป็นคนที่พูดไม่รู้เรื่องเลยพี่จริงหนูพูดเหมือนไม่ใช่ตัวหนูเองแต่แต่หนูเล่าจากตัวหนูว่าจากใจว่าหนูเนี่ย น, นั่งหลับอยู่คือเขาบอกว่าเขาอ่ะเขารู้สึเหมือนเขาหลับทุกวันเขาทําอะไรเขานั่งลงโพฟาเขาก็จะหลับทําอะไรเขาจะหลับแต่คนที่เห็นอ า, ากาศเสียงยามภายนอกบอกว่าไม่ได้หลับอไม่ได้หลับเลยลูกหนูโวยวายหนูด่าเป็นภาษาอะไรคําหยาบด้วยครับแล้วก็จะมีตำรวจทางบ้านเขาเอามาวันที่ยูน่าโวยวายก็มาตรวจ อ่าน้องดาเนี่ยกดาษเขาอืแม่เขาก็เลยห้ า, า, า, ามแบบว่าอย่าไปด่าเลยเขากลัวว่าลูกเขาจะโดนจับเลยอย่าไปด่าอย่าไปว่าอย่างนั้นอย่างนี้เขาบอกว่าเขาไม่ได้ชื่อดานะเขาบอกปู่นไม่ได้ชื่อดาปู่เลยชื่อ ค, าคําล่าใครรู้จักไหยคะชื่อคําล่าใช่คาชํคลาล่าเขาก็เลยบอกว่าเอานี้เอานี้นะถ้าเป็นคาําล่าจริงเข้ามาที่นี่ได้ไงที่บ้านนี้จะมีผีปู่ผีย่าผีบรรพุลุับเขาก็เลยบอกว่าหอแล้วเขาให้เข้ามาออื แม่เอาก็เลยสงสัยเพราะว่าน้องดาเนี่ยเกิดไม่ทันทวดไม่ทันบรรพบุรุษเขา<ะ>เขาเลยถามว่าถ้าขอแล้วทวดชื่ออะไรพูดออกมาได้หมดทุกคนเลยเที่ตายไปแล้วที่แบบรุ่นของดาไม่ทันนะอ่ะออืพูดออกมาได้หมดคนนั้นก็ให้คนนี้ก็ให้คนนี้ก็ให้เขาให้เข้ามาแล้วอขอมาแล้วลรู้เไว้แล้วว่าลูกมึงมันจะตายแล้วอแต่ที่ผ่านมาน่ะครูจะช่วยเอาไว้ครับ คือเหมือนกับที่นิดาเขาสงสัยในตอนแรกเลยว่าคือมีวิญญาณหนึ่งนงตนเป็นนั้นที่เป็นใหญ่เขาไม่เขาจะเล่นน้องดากขาไม่พอใจพื่อไปยุ่งไปเลี้ยงบริวารของเขามากเกินไปครับ <c oughs> า น, นี้ นอกจากคำล่ามาเสร็จก็จะมีอย่างอื่นเข้ามาผ่านมาผ่านก็คือผู้มีญาตที่ตามมาถึงทีร้านมันผ่านเดี๋ยวเป็นคนนั้นเดี๋ยวเป็นคนนี้มันมีอยู่วันหนึ่งที่เป็นจุดไข้แม็กคือเขาเขาบอกว่าพ่อแม่เขาเนี่ยพาไปหลายแขวงผมเข้าใจว่าคำว่าหลายแขวงน่าจะเป็นหลายจังหวัดนะไปมาหลายแขวงที่เัื่อจะเรียกเป็นแขวงก็คือจังหวัดแหละถูกต้องเขาบอกไปมาหลายแขวงมากไปหาหมอนั่นหาหมอนี่ไม่มีดีขึ้นมีแต่แบบ มีแต่ทรงถ้าไม่ทรงก็คือทรงก็ยังอยู่ในาการที่ผีเข้ามาแต่ไม่หนักเปก็นกวเดิมจะผ่านมาจะเป็นคนนั้นมาผ่านเราขอนุ่นกินนี่กินอยู่เรื่อยออืจนในที่สุดมีวันหนึ่งน้องเขาบอกวันนั้นนะเขาฝันเป็นจึงฝันจึงถ้าเป็นจริงมากเลยคือว่าเขาเดินลงมายดนหน้าบ้านและกําลังจะเดินลงไปปักซอยครับโดยที่เห็นใครก็ไม่รู้เรียกอยู่ด้านหลังใครมันเขาจะเรียกกันว่าน้อยนะฮะน้อยดาน้อยดา เขาก็เลยหันกลับมาแล้วก็เดินตามเสียงกลับมามามอยู่หน้าบ้านตัวเองครับมาอยู่หน้าบ้านตัวเอง เ, อเขาบอกเขาเห็นบรรพบุรุษหลายคนมากรู้แต่ว่าคนนั้นก็แนะนําว่าอันนี้เป็นทวด น, นะอันนี้เป็นตานะแล้วก็ที่รู้จักก็มี่ะเขาบอกทุกคนตายหมดแล้วครับเขาก็เลยแบบว่างงๆึ่งๆูแล้วมีลุงคนหนึ่งที่เพิ่งตายไปไม่นานอ <ทะ S 2> มาขวางเอาไว้บอกถึงเองจะเป็นลูกหลานบ้านนี้แต่เข้าไม่ได้ในเมื่อตายแล้วก็เข้าไม่ได้ครับผมเดาเอาว่าน่าจะเหมือนกับว่าพอเขาตายแล้วก็เป็นผีปกปักรางสรที่นั่น เขาบว่าถึงตายแล้วถึงไปลูกหลานก็เข้าไม่ได้เพราะว่าตายแล้วครับขณะนี้ในขณะเดียวกันทางฝั่งล่างจริงๆของน้องเขาที่ว่านั่งนั่งเป็นคำล่าอยู่ข้างในบ้านเนี่ยเขาก็พูดกับน้องชายเขาว่ามึงไปด่าไม่ด่าเข้ามาไอ้ดามันนั่งอยู่หน้าบ้านนั่นอ่ะแล้วลุงคนนึงห้ามไม่ให้เข้ามาคนที่ด่าเนี่ยเขาบอกเขายังไม่รู้เรื่องเลยนะเขาแค่ฝันเฉยแต่พอหลังจากเขาได้สติกลับมาปุ๊บเนี่ยเขาก็กําลังจะเล่าว่าปขาฝันว่าเขมันนั่งหน้าบ้านแล้วลุงห้ามแต่แม่เขาจริงพูดซกก่อนว่า อีคำล่ามันบอกว่ามันนั่งหน้าบ้านจริงไหมวะแล้วบอกว่าลุงอะไรข้ามไว้ทีิงไห ม, ไหมคือคนคนที่ดาวน้องดาวเขาตกใจอะไรคือมันมันตรงกันจเจรินไปครับกับช่วงที่เขาขาดสติอะ่ะแม่เขาก็เลยพาไปหาหม อ, อ, อมที่หนึ่งเขาบ อ, ก, าอกที่หนึ่งคอที่หนึ่งอันนี้เด็ดแน่นอนเลยเขาก็ให้ยันอะไรมาไม่รู้แล้วให้มาแช่น้ําแล้วบอกให้กินในเจ็ดวันจะหายอันนี้หายแน่นอนเขากำลังดีเลยออื เขาก็ทําพอเริ่มทำเสร็จทุ๊กผีชื่อคําล่ารู้แล้วเนี่ยว่าเขาเขาจะเอาออกจากล่างแล้วเนี่ยก็เลยมาขอกับแม่บอกว่าขออยู่ด้วยได้ไหมอันนี้<ม>ช่วงประมาณเดือนที่สี่ละท้ายๆล้วะขออยู่ด้วยได้ไหมจะมาขอเป็นลูกก็ได้เริ่มที่จะแบบพูดอ่อนละแม่เขาเลยบอกว่าเอางี้ถ้ามึงจะมาเป็นลูกที่บ้านนี้จริงๆเนีไยมึงช่วยอย่าให้ผีอะไรมาผ่านอีกไม่ต้อให้อดามันเห็นอะไรอีกแล้วเพราะมันจะตายอยู่แล้วตอนนี้มันโตมากเลยเนี่ย แล้วจะตั้งศาลให้มึงอยู่ในหมู่บ้านนี้เลยอยู่ในหมู่นี้เลยวิญญาณที่ชื่อคำลาก็บอกได้เดี๋ยว จ, จัดการให้<ถ>ตั้งแต่นั้นน้องดาเขาไม่เคยเป็นอะไรอาการผีเข้าเลยแล้วหายหแล้วผีที่ชื่อคำลาเนี่ยจะไปวนเวียนด้วยการไปเข้าฝันอคนนู้นคนนี้คนนั้นเพมุติว่าจะเขาอยากกินอะไรใช่ไหมพี่เขาจะเข้าฝันทางบ้านเลยให้ตรงกันพอตื่นขึ้นมาแล้วเล่าตรงกันถนะึงจะได้กินอย่างนั้นนะเป็นอย่างนั้นเลยนะพี่แล้วเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ย ผมมาถึงต้องบทสรุปที่ผมคุยกันว่าคือจริงๆเรื่องของน้องเขาเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวมันจะมีต่อจากที่ร้านมาที่บ้านมาอะไรอีกเยอะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยน้องเขาเกินเกินไว้เดี๋ยวยังไงถ้าผมฟังเสร็จแล้วเนี่ยจะมาถ่ายทอดดีที่จ็คมีเรื่องของคนภูกเ่าตายสามคนด้วยแต่ผมขอสรุปเรื่องนี้ที่ผมนั่งคิดแล้วผมก็ไม่รู้วพี่แจ็คจะคิดตรงกับผมหรือเปล่านะผมตรงไปตั้งแต่แรกที่ผมฟังน้องเขาว่าลุงผู้ชายคนเนี้ยจงใจที่จะให้น้องเขาว่าต้องไปเป็นตัวตายตัวแทนให้กับวิญญาณเหล่านั้น อืมโดยการแนะนําให้ไปทําอะไรบางอย่างซึ่งเราไม่รู้หรอกว่าวัฒนธรรมเขาเนี่ยจริงๆแล้วลึกๆเป็นยังไงถูกไหมคือเพราะว่าอืมเพราะว่ากรณีแรกที่น้องเขาบอกเนี่ยตอนที่น้องเขาไปเล่าเนี่ยลุงเขาอาบุญคามประโยคนี้ไปลุงเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วก่อนหน้าที่คนที่ดาจะรู้เรื่องเนี่ยลุงเขาแอบไปไหว้ทุกวันพระเขาเลี้ยงทุกวันพระอยู่แล้วครับลุงทําตลอดทุกวันพระท่นลุงก็ให้แย่นิดหน่อยหนูก็ลองทําดูสิลูกพี่แจ๊ เรามาคิดถึงว่าคนเราอะถ้าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เขาหวางดีจริงๆเขาจะแนะนําไม่ทําอย่างนั้นไหมนอกจากว่าเขามีจุดประสงค์และเขาจะพยายามให้ทำทุกวันพระด้วยวันพระไหนไม่ทําจะมาถามถามเอาเป็นเอาตายแนะถามเพี้ยนเพียนเลยนะเหมือนจะต้องให้ทําให้ได้อ่อหมายถึงว่าให้เอาเครื่องเส้นไหว้ไปเลี้ยงผีทุกวันพระถูกไหมฮะใช่ใช่ครับถ้าเรามองในแง่มุมของเอาที่เราคุ้นเคยคุณคิงคุณผู้ฟังผมว่ามันก็เป็นเรื่องปกติ มันอาจจะเป็นเรื่องปกติของคนที่เฮ้ยถ้าบ้านนี้มันมีมันมีผีสางอะไรบางอย่างอยู่ในบ้านเนี่ยเราก็เลี้ยงซะเลยเผื่อเขาจะช่วยทำมาหากินอย่างที่บอกแต่อย่างที่ผมบอกอีกอย่างหนึ่งคือเราไม่รู้เรื่องของวัฒนธรรมลึกๆของเขาถูกไหมฮะว่าการเลี้ยงของเขาเนี่ยมันเป็นการดีหรือไม่ดียังไงอันนี้เราไม่รู้ แต่จากฟังที่คุณคิงเล่ามาที่น้องดาก็ถ่ายทอดมาเนี่ยเหมือนกับเฮ้ยมันไม่จําเป็นต้องเคร่งขนาดนั้นก็ได้ไงถูกหไห<ด>มแค่การเลี้เออคือมันไม่ต้องเคร่งอ่ะทําไมมันต้องเฮ้ยทุกวันพระถ้าวันนี้เราไม่ได้เลี้ยงเราไม่ได้อะไรทำไมเขาต้องมาขยันขยอทําไมเขาต้องมาเร่งรัดว่าเฮ้ยต้องทํานะทําให้ได้นะอะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้ไม่รู้หรือมันมีอะไรไปมากกว่านั้นหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ ครับโอ้คคือว่าลุงเนี่ยแกจะรู้ดีทุกอย่างแม้กระทั่งที่ว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเคยมีช่างจากประเทศไทยเนี่ยนะครับครับข้ามไปทําฝั่งบ้านเขาคือไปกูกับเบื้องให้คงจะเป็นช่างฝีมือพอมีฝีมือนะอก็ไปทําให้ก็นอนที่ร้านแล้วปรากฏว่าไปคืนเดียวนอนคืนเดียวเจอเลยเจอเป็นผู้หญิงทั้งผู้หญิงเด็กมีไสออกมากองข้างนอกบ้างอะไรบ้างเนี่ยออืยืนอยู่หน้าร้านแล้วชี้เข้าไปร้านแล้วบอกช่วยหน่อยได้ไหมครับ ช่วยเราออกจากร้านทีออืลุงคนนี้ก็เลยถามว่าแล้วเป็นอะไรถึงได้มาอยู่อย่างนี้ยแล้วทําไมไม่ไปผุดไม่ไปเกิดครับเขาบอกว่ามีคนคนหนึ่งไม่ยอมให้เขาไปสะกดเอาไว้ผมงสงสัยถึงลุงคนนี้ทันทีเลยทันทีที่ฟังเนี่ยแล้วมาถามน้องดาว่าน้องดารู้ไหมว่าที่เนี่ยมันเป็นอะไรมาก่อนครัน้องดาวบอกว่าน้องดาพยายามไปถามจนได้เลยพี่ริง<อ>ในที่สุดก็รู้ว่าที่เนี่ยมันเคยเป็น อ่าเขาเรียกอะไรนะแม่และเด็กมาก่อนแล้วมันมีการแอบรับทําแท้งด้วยแม่และเด็กหมายถึงว่ามันเป็นคลินิกเป็นโรงพยาบาลมาก่อนใช่ครับ<อ>คือเขาเปิดก็อย่างประเทศบ้านเขาอะนะรเราก็จะเข้าใจว่าตรงไหนพอตั้งได้เขาก็ทําเลยครับครับแล้วเขาก็ทําเป็นแบบว่ารับทำคลอดทําอะไรเงี้ยในขณะที่ทำคลอดก็มีการทําแท้งไปด้วยครับอแต่เป็นยานที่ชื่อคําล่าเนี่ยก็ยังสงไปว่าน่าจะเป็นหนึ่งในคนที่ทําแทง้งแล้วก็ มาเสียชีวิตเพราะว่าที่ผมสอบถามน้องเขาว่าแต่งชุดโบราณไหมหรืออะไรไหมเขาบอกใส่ชุดเดรสแต่ชุดเดรสที่มันก็ไม่ใช่โบราณเดรสหมายถึงว่าชุดยาวของผู้หญิงอ่ายงงั้นนะคใช่ไหมฮะใช่เสื้อกับกางเกงตัวเดียวกันยาวๆเลยเดรสอืมอืมอฮะซึ่ผมก็เลยคิดว่าน่าจะไม่ใช่ชุดโบราณละน่าจะเป็นประมาณว่ามาทําแทงแล้วเสียชีวิตหรือเปล่าอ๋อฮะ เฮ้ยแต่ผมอันนึงผมก็ฉุกคิดขึ้นมาได้เหมือนกันนะคุณคิงอย่างที่คุณคิงพูดเมื่อกี้ว่าหรือว่าลุงคนนี้อันนี้เราวิเคราะห์กันแบบไม่รู้เลยนะวิเคราะห์กันตามความรู้สึกของเราเองล้วนๆซึ่งเราไม่รู้ข้อมูลอะไรทั้งนั้นหรือว่าลุงคนนี้นกแกอาจจะรู้เบื้องลึกหนาบางอะไรบางอย่างแล้วก็อาจจะสะกดวิญญาณอะไรบางอย่างไว้ที่บ้านหลังเนี้ยก็<อ>ก็มีสิทธิ์เป็นไปได้ อ่ะเพาะไอ้คําที่อบิณยาณนั้นะเขามาพูดกับลุงนั้นว่าเขาไม่ยอมให้กูไปเขาตะโกนหัวไว้อืมเนี่ยออ uh huh. คือมันแบบมันคัดเนะี่ยเขาตะกดเอาไว้การทําอย่างนี้มันต้องเป็นเรื่องของคนที่คําต่อวิญญานตามความเชื่อนะแล้วดูจากฟังจากคําบอกเล่าของน้องเขาดูเหมือนว่าคุณลุงคนนี้เนี่ยแกจะเป็นคนที่รู้เรื่องเยอะที่สุดของบ้านหลังนี้น เหมือนรู้ว่าเอ้ยถ้าอยากเห็นคุณไปทําแบบนี้สิคุณเ อ, เ, อเอาของขึ้นมาเลยนะเฮ้ยผมถามหน่อยว่าคนทั่วไปใครจะคิดได้แบบนี้ว่าคือการเอาไปไหว้เนี่ยแล้วคุณจะเห็นน่ะคือคนทั่วไปก็อาจจะแนะนําว่าเฮ้ยก็เอาไปไหว้บอกกล่าวเขาแค่นั้นเองคงจะไม่ระบุว่าถ้าอยากเห็นคุณไปทําแบบนี้สิแสดงว่าเขาต้องรู้ ครับ<อ>เขาจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่จริงเนี่ยเขาจะบอกเขาจะบอกว่าสมมติแล้วนะถ้ามีเด็กมาถามผมแล้วถ้าผมพอรู้เรื่องเฉยๆแล้วผมไม่ได้เป็นคนที่เกี่ยวข้องอะไรเนี่ยผมก็ต้องบอกว่าเออมาทํางานก็ว่าเจ้าที่ซาจบเรื่องจะได้สบายใจพวกนี้นั้นแหละถูกต้องนั่นคือคําคําบอกของผู้หลักผู้ใหญ่หรือเพื่อนกันหรือถ้าผมรู้จักผมก็จะบอกว่าเอ้ยก็ไปว่าเจ้าที่เจ้าทางจบแค่นั้นเองเรื่อความสบายใจคแต่คุณลุงเขาลงรายละเอียดลึกอะ ว่าถ้าคุณอยากเห็นนะ่ะคุณอยากรู้ว่าบ้านหลังนี้มีอะไรคุณลองเอาเครื่องเส้นไหวเนี่ยขึ้นไปชั้นสองคุณเอาไปวางไหว้เลยแล้วคุณจุดธูปดอกหนึ่งเทียนเล่มหนึ่งแล้วคุณลองดูว่าคุณจะเห็นอะไรเฮ้ยใช่แล้วคุณต้องแล้วเน้นย้ำด้วยนะว่าต้องหันหลังด้วยน ะ, ะเหมือนเขาจงใจงว่าถ้าหันแล้วก็จะได้เห็นเข<ะ> ม, มันจะจบอยู่ไงเฮ้ยอันนี้นกลัวเออน่ากลั ว, ออลวใช่ใช่คืออาจจะมองอาจจะเป็นเพราะว่าถ้ามองด้วยตาเปล่าอาจจะไม่เห็น แต่คุณต้องห็นหลังผ่านกระจกคุณต้องมองผ่านกระจกคุณถึงจะเห็นหได้อย่างเรื่องของเขาบอกว่าเต็มตาเลย เ, ออเต็มตาเลยพี่รับเรื่องของกระจกเรื่องของโลกวิญญาณมันก็เป็นความเชื่อที่มันเกี่ยวเนื่องกันมานานละเขาบอกว่ากระจกมันเป็นเหมือนกับทางผ่านเป็นประตูของโลกมนุษย์กับโลกวิญ ญ, ญาณอะไรประมาณนี้ไม่ใช่แค่เฉพาะทางฝั่งเรานะฝรั่งก็เชื่อแบน บ, บนี้นะ เราจะได้เห็นสังเกตจากหนังผีฝรั่งหลายๆเรื่องนะฮะที่จะมีเรื่องเกี่ยวข้องกับกระจกซึ่งเหมือนกับเป็นทางผ่านเป็นทางผ่านของของของโลกมนุษย์กับโลกผีโลกวิญญาณอะไรอย่างเงี้ยเออหรือว่าลุงจะรู้จริงคุณคิงน่าจะเป็นอย่างนั้นเมื่อวานนี้แกยังคิดไปในของคำถามเลยว่าแนวเดียวกับผมเลยใช่ไหมว่าลุงแกต้องรู้และแกต้องจงใจที่จะให้เป็นอย่างนี้ด้วยคือตอนแรกผมผมไม่ได้คิดอะไรมากไงแต่พอคุณคิงเริ่มสะกิดผมมาผมก็จะคิด เออจากที่ฟังมาทั้งหมดอ่ะเฮ้ยทาไมกลุ่มแกต้องต้องขยังขยอให้คนไปไหว้ทุกวันพระไม่ไหว้ก็ไม่ได้ด้วยไม่ไหว้ก็หงุดหงิดเหมือ น, ด, อนด้วยเค้นเหมืนจะให้ทําอยู่แล้วแหละออแล้วที่สําคัญแหละอย่างที่ผมบอกว่าตั้งแต่วิทีโทีแรกเลย ท, ที่ที่การที่เด็กไปเจออย่างผู้ใหญ่อย่างมากต้องปลอบให้ไหว้ซะแล้วก็ให้จบไม่ต้องคิดถึงอย่าคิดมากแต่นี่เป็นการยุให้ทํายุทันทีไม่มีการตกใจเหมืนอนยุให้ทำํำ ประมาณว่าหน้าที่ตรงนี้กูทําอยู่มึงทาแทนหูวเดี๋ยมจะได้เห็นอะไรเองแล้วก็เหมือนกับถ้าผมคิดให้มากไปกว่านั้นนะแต่แต่อาจจะเป็นการคิดมากนะครับเหมือนกจะให้เขาโดนดูดยืนกินวิญญาณเพราะว่าระหว่างที่น้องดาเขาไปถามพระหลายๆที่หลายๆแขวงที่เข้าไปมาเนี่ยทุกที่จะพูดเหมือนกันทำหนึ่งว่าวิญญาณพวกเนี้ยเขาจะดูดพลังงานจากวิญญาณของมึงเพราะฉะนั้นมึงเลือกอยู่เขาได้แล้วออออแต่วน้องดาเข า, เข า, าบอกว่าเขาโตมมากหอมแบบ คือไม่ใช่ตัวเขาเองเลยอหลังจากที่เขาหายไอ้ที่ว่าเป็นซีเดือนเนี่ยเขากลับมามีน้ำมีนวลจริงๆเขาหน้าตาดีมากเลยนะพี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะ่อยแนะนำให้พี่รู้จักเอาทางเฟซเดี๋ยวผมจะส่งให้พี่กันละกันรูปอะไรยังไงอเงี้ยครับครับเออครับผมที่สําคัญคือทุกวันนี้คุณคิงเปิ่นมาบอกแล้วว่าร้านเนี้ยบาร์เนี้ยปัจจุบันนี้คือมันปิดไปแล้วใช่ครับแล้วบ้านหลังนี้แน่นอนแลาบ้านหลังนี้มันก็ยังอยู่แล้วคุณลุงคนนั้นน่ะยังอยู่ยังอยู่ครับจริงมากยังอยู่ครับใช่่่ทีีีผมเเคยรนาาาได้้พะวบอก พอหลังจากที่ผมวิเคราะห์ของเขาเสร็จเขาบอกพี่หนูไปถามได้ดีไหมหนูก็ชักสง่ใสแล้วเพอพี่พูดเนี่ยออผมก็เลยบอกเดี๋ยวเด๋วเด๋ยวถ้าเราจะไปถามเาขากรับผมพูดได้เพราะว่าผมเชื่อว่าตาลุงคนนี้ยังไงแกก็ไม่ใช่ไวที่จะฟัง อ, อ, อย่างที่เราผมผมก็เลยแนะนำน้องเขาไวว่าถ้าจะไปถามอย่าเข้าไปถามอย่างโมโหออให้เข้าไปแบบแหมลุง ก, ก็เนี่ยตอนนี้หนูก็เลี้ยงเขาไว้ทําไมลุงไม่บอกมันแรกแรกเลี้ยงแล้วก็ดีมีโชคมีลาบดีพอแก็นรุดออกมาทอนแรกก็แล้วแต่น้องจะกขาแล้วล่ะออื เออคือ<ด>ต้องถามอ่ะถามได้คือต้องมีชั้นเชิงในการถามนิดนึ ง, ต, งต้องตาล่อมต้องตาล่อมถามครับโอ้โอ้แกบอกว่ายังอยู่เลยนะน้องดาบอกทุกวันนี้แกยังอยู่และแกดูไม่แก่ลงผมว่าใช่วะ่ะ อ, อ่าแกดูไม่แก่ลงและแกเจอทุกครั้งแกจะพูดเรื่องอื่นไม่พอแกจะวนกลับมาตายที่เรื่องนี้ตลอด อย่างเขาบอกว่าตอนที่ตอนที่น้องดาเล่าให้หนูฟังเ ข, า บ, ขงเาบอกก่อนหน้านี้ประมาณสามสีวันหนูก็ไปมาพี่แต่ตั้งแต่เหตุ ก, การณ์นั้นหนูไม่ค่อยไปตรงนั้นเลยถามว่าทําไมถ้าหนูไปทีไรแล้วอย่างล่าสุดหนูไปนั่งคุยกับคารุงคนนี้อยู่น่มันก็จะมีวิญญาณแบบสี่ห้าตัวออกมาจากในบ้านนั้นเองวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งมาดักหน้ารถหนูแล้วหนูต้องขีหนีก่อนครับเขาบอกอย่างนั้นเลยนะแต่ลุงคนเนี้ยจะหัวเราะตลอดและก็ถามก่อนเวลาที่คุยกันถามเรื่องอื่นได้ไม่นานจะวนกลับมาว่าเดี๋ยวนี้ได้ขึ้นไปไหวอยู่หรือเปล่่่าาาททํํไไไไไมมมมครับห้ โลเฮ้ยแปลกม้นแปลกอะมันต้องมีเลขในมี่างอย่างเออมีมีเบื้องลึกหนาบางตื้นลึกหนาบางแน่นอนครับเรื่องเนี้ยอแต่มันยังไม่จบนะคือคุณผู้ฟังฮะน้องยังไม่ได้สรุปทั้งหมดยังไม่ได้สรุปทั้งหมดนะครับว่าเพราะว่าน้องยังไม่ได้ไปถามน้องกําลังจะไปถามว่าเฮ้ยตกลงมันยังไงอะไรยังไงแต่เวลาไปถามต้องย้ําน้องว่าต้องมีชั้นเชิงมีชั้นเชิงในการถาม อย่าไปถามแบบระบุตรงไปตรงมาถ้าเขารู้ตัวเขาจะไม่ตอบ เ, เขาไม่บอกแน่เขาโดนด่าผมว่าเลยไม่ถูกต้อง <c oughs> แล้วคุณลุงคนเนี้ย<ถ>เขาเป็นใครอะ่ะเขาบอกว่าน้องดาบอกว่าเป็นคนที่เก็บกวาดทาความสะอาดอยู่ที่ร้านข้างๆพี่แจ๊คอยู่ร้านข้างนะแต่เข้ามาไหว้ในที่นี้ตั้งแต่ก่อนที่มันจะเป็นร้าน แ้่แต่มันเป็นคลินิกทำแท้งร้างอ่ะเขขึ้นมาไหว้เพื่ออะไรอ่ะไม่ใช่แล้ไม่ใช่แล้ไม่ใช่แล้ผมว่ามีเลสไนอะไรบางอย่างชัวใช่ใช่ชัวผมนึกว่าแกเนี่ยเป็นคนดูแลบ้านหลังนี้นะไม่ใช่ด้วยเหรอไม่ใช่แกแกอยู่ร้านข้างๆแกไม่เกี่ยวข้องกับบ้านหลังนี้เลยโดยชิ้นเชิงแต่แกคือลักษณะของแกแกบอกว่าแกไหว้มาตั้งแต่ก่อนที่ร้านนี้จะเปิดเป็นร้านครับ้ไหวขึ้นไปไหว้ข้างบนไหว้ตลอดแล้วแกเขาบอกแกให้ ทุกวันพระแต่ก็ให้พอประมาณไม่ได้ให้มากไปกว่านั้นก็ลองทำดูซิแล้วก็ยุแล้วก็หัวเลาะแล้วก็เน้นแล้วก็เน้นทุกวันพระเลยให้ทําตลอดถ้าไม่ทำมีหงุดหงิดด้วยมีถามย้ําอันนี้แปลกอันนี้แปลกเลยผมบอกเว่าแปลกใช่ครับคือมันต้องมีอะไรบางอย่างแล้วล่ะเออครับคือไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับบ้านหลังนี้เลยแต่มาไหว้ข้างบนทำไมและนี่น้องเขเล่าใหังเลยครับว่ายังมีเรื่องเกี่ยวกับฝั่งทาง ผู้ใหญ่เขาผีหลงเขาบางเลยเดี๋ยวผมจะยกเข้ามาเล่าให้ฟังในประเทศไทยกันนี่แหละน้องเขายังมีหลายเรื่องที่จะเล่าให้ฟังอยู่อและที่สำคัญพี่แดงครับผมเคยชวนน้องเข้าไปว่าพันทีผมมีอยู่ที่หนึ่งที่ผมขอก็แล้วละ่ะอือยากจะไปได้คลิปมาแล้วก็จะเอามันรวมๆรวมเสร็จตอนนี้ผมค่อยๆทยอยทยแล้วเรียกจงๆแล้วเดี๋ยวจะปล่อยๆยอยยอกมาอยย อ, ยย อ, ยยอยืถ้าได้น้องเข้ามาอีกถ้า ม, มาจากฝั่งเราเนี่ยเดี๋ยวไม่นานเขาจะมาน้องเขาจะไปเดินถ่ายด้วยเดี๋ยวมีคลิปไปให้พี่แดกด้วยพี่เพราะเขาอยากให้พี่แดก มากมากแล้วเขาอยากเจอแย้เพิ่มผมพาเข้าไปได้ได้ได้ได้ได้ถ้าอยากเจอก็ก็ก็ได้เหมือนกันนะฮะไม่มีปัญหาเลยเขาอบอกว่าเขารอพี่ที่นี่แล้วเขาไม่เจอเขา อ, อแล้วเขไม่เจอมไม่มีโอกาสออกจากโซนนักเขตเลยผมไม่อยากไปมากไลยหลวงเพาะบางเนี่ยแต่เขาบอกว่าโอ้การเดินทางค่อนข้างพอสมควรแล้วส่วนมากคือผมไปไปลาวอ่ะผมไปทํางานอย่างเดียวงอโอกาสที่จะออกนอกโซนนักเขตน้อยมากครับน้อยมาก อแต่มีโอกาส ม, นนมีโอกาสหวังว่าคงจะไปอ่าหวังว่าคงจะมีโอกาสได้ไปหลวงพระบางกับเวียงจันทร์อยากไปมากอยากไปมากนะครับะะเออโอ้คุณคิงครับคุณคิงนี่เป็นคนที่เก็บเอารายละเอียดเรื่องเล่าของเขามาเล่าได้แบบเฮ้ย <c oughs> คุณคิงประมวลผลเก่งมากนะจริงจริงประมวลผลเก่งมากแล้วก็เล่าถ่ายทอดออกมาได้แบบ โอ้โหรับนึกภาพปาลมได้ทุกช็อตอ่ะเหมือนคุณคิงไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นเองอ่ะเออตอนที่ว่าผมฟังน้องเขาเนี่ยถ้าตรงไหนผมไม่เข้าใจผมจะถามทันทีนะพี่แจ๊คแล้วข อ, อรายละเอียดอย่างชัดเจนหนึ่งและส อ, องคืออาจารย์วิเคราะห์เนี่ยผมอย่างที่ผมบอกว่าผมเคยคุยดวงกับอาจารย์ผมเคยเห็นอะไรมามากอืถ้าอะไรที่มันผิดสังเกตเกี่ยวกับเรื่องทางโลกวิ ญ, ญญาณเนี่ยผมจะรู้สึกว่าเฮยอันนี้มันไม่ใช่ละลักษณะอย่างนี้มันไม่ใช่คนที่เจอธรรมดาแล้วมันต้องเลี้ยงแล้วมันต้องมีจุดประสงค์ในการให้คน คือเราก็อยู่อาจารย์เรามาตั้งสามภาษาเนาะเดินผู้ดงก็พอจะได้อะไรมาบ้างไม่มากก็ น, น้อยไองอออโอ้โหนะครับเรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะที่ฟังแล้วแบบมันยังหาคําตอบบทสรุปจริงๆยังไม่ได้ไะคือผมก็จะรอเหมือนกันว่าเฮ้ยหลังจากนี้ไปถ้าน้องเขาลองไปถามคุณลุงคนนั้นไปเค้นเอาความจริงมาให้ได้เนี่ยผมว่าน่าจะเป็นบทสรุปอีกเรื่องหนึ่งที่ที่น่าจะปิดได้ด้วยดีเหมือนกับเรื่องของป้าแมว นะครับเรื่องของบ้านชวนผวาอะไรอย่างเงี้ยว่าจริงๆแล้วคือไม่ไจะเป็นปริศนาอยู่บ้านหลังนี้มันมีอะไรกันแน่ตอนนี้ผมคิดว่าเขาก็คงยังฟังพี่แจ๊กอยู่แล้วผมเชื่อว่าเขาก็คงจะต้องรีบหาคาตอบละเพราะว่าตัวเขาเองเขาบอกว่าเนี่ยจะสองทองบ้านหนูจะไปถามหรือหนูจะมาเล่าให้พี่กิงฟังเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังต่อพี่ว่ามันคืออะไรเออไม่แน่นะผมว่าเรื่องนี้มันอาจจะมีการหักมุมก็ได้นะมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดก็ได้มันอาจจะเป็น อีกแง่มุมหนึ่งที่ราแบบฟังแล้วแบบโอ้โหเฮ้ยตาลุงคนเนี้ยคือลึกๆแล้วน่าจะน่าจะมีอะไรมากกว่าที่เราคิดกันไว้เยอะใช่ใช่เขาว่า น, น้องเขาบอกว่าอะไรอ่ะน้องเขาเจอแล้วเป็นคนที่ลึกลับลู้คนนี้ลึกลับนะแล้วเขาไม่ได้เจออยู่คนเดียวครับผมว่าเราจะเป็นอย่างที่ไปใจ็คกับผมกาลังคิดตรงกันไว้ที่เดาไว้ประมาณว่านะและที่สําคัญก็คือแกไม่เคยเปลี่ยนอ๋อ มีรูปร่างหน้าตาเป็นไงก็เป็นอย่างนั้นอยู่นะจนปัจจุบันออผมว่านะแกไม่รู้ผมว่าจะใช้คําว่าเลี้ยงหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะผมว่าไม่เลี้ยงอ่ะผมว่าน่าจะลึกกว่านั้นอ่ะไม่รู้นะโอ้น่าจะลึกกว่าคาว่าเลี้ยงสีอ่ะซึ่งแกถ้าถ้าสมมุติว่าแกสะกดไว้จริงๆเนี่ยมันต้องมีเหตุผลนี่ว่าแกสะกดไว้ทําไมเพื่ออะไรถูกป่ะเพื่อเหตุผลสมมุติว่าแกสะกดไว้จริงอืม ถ้าสมมติาแกสะกดไม่จริงนั่นก็หมายถึงว่าจุดประสงค์จะเอาน้องดาไปทำอะไรก็ใช่ไงมันมีหลายคำตอบหลายหลายคำตอบที่เราต้องการหาคำตอบมากว่าเพื่ออะไรคุณทำแบบนี้เพื่ออะไรคุณต้องการอะไรจากน้องดาคุณต้องการอะไรจากกลุ่มวิญญาณสัมภเวษีพวกนั้น ใช่ครับเดี๋ยวต้องรอฟังต่อไปพี่อ้อ้โได้ฮะอีกอันหนึ่งที่เดี๋ยวเราคงจะมาหาบทสรุปแล้วก็หาคําตอบกันสําหรับเรื่องนี้นะครับเรื่องอ่าหลอนจากหลวงพระบางนะนะคุณคิงฝากขอบคุณน้องดาด้วยนะครับที่ที่มาอ่าถ่ายทอดประสบการณ์เรื่องนี้ให้ฟังกันจะไม่มีโอกาสได้คุยกันแบบสดๆไม่เป็นไรนะครับฝากคุณคิงมาก็ตื่นเต้นเหมือนกันฮะเออนะครับได้ครับคุณคิงยังไงขอบพระคุณมากมากนะคุณคิงนะ ินครับพี่แจ๊เดี๋ยวจะรีบหาบทสรุปแล้วก็เอามาเล่าให้ฟังได้ครับยังไงกิงก้างมาบอกเลยนะคุณคิงครับผมขอขอบพระคุณครับครับแล้วสวัสดีครพี่แจเช่นเดียวกันครับคุณคิงสวัสดีครับ